จะขอยกพระพุทธพจน์ในธาตุสูตรจากโอกกันตะสังยุตมาแสดงเป็นข้อสรุปของบทเลยทีเดียวดูกร ะ, ระภิกษุทั้งหลายปัจจีวิธาติไม่เที่ยงมีอันแปลปรนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาอาโปธาติไม่เที่ยงมีอันแปลปรนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาเตโชธาติไม่เที่ยงมีอันแปลปรนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา กายโยทาไม่เที่ยงมีอันแปลบรรนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาอากาศธาตุไม่เที่ยงมีอันแปลบรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาวิญญาณธาตุไม่เที่ยงมีอันแปลบโรนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาดูกรับภิกษุทั้งหลายผู้ใดเชื่อมั่นในวันไหวซึ่งทาเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นสัทธานุสารี ก้าวลงสู่แนวทางที่ถูกต้องของอริยะก้าวลงสู่ฐานะแห่งสัตบุรุษล่วงภูมิปุตชนไม่ทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรชานหรือวิสัยเปรตไม่มีทางสิ้นชีวิตหลักเท่าที่ยังไม่มรุโสดาปฏิผลดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทำเหล่านี้ควรเพ่งด้วยปัญญาโดยประมาณอย่างนี้แกผู้ใด เราเรียกูนั้นว่าเป็นธรรมานุสารีก้าวลงสู่แนวที่ถูกต้องของอริยะก้าวลงสู่ฐานะแห่งสัตบุรุษร่วมภูมิปุตุชนไม่ควรทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกันเาาน์เดรฉานหรือวิสัยเปรกไม่มีทางสิ้นชีวิตตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุพระโสดาบันขอไปค่ะไม่บรรลุพระโสดาปฏิพันธดกรรุกราภิกษุทั้งหลาย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 ยกระดับขึ้นจากความเชื่อเป็นภาวนาจนเห็นแจ้งว่าธาตุหกไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแบบเพ่งด้วยปัญญาคือเอาจิตเข้ารู้ตามจริงย่อมเชื่อว่าเป็นกรมมนุสสารีมีความแน่นอนยิ่งขึ้นที่จะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันและชาติถัดจากนี้ย่อมไม่ตกล่วงเข้าสู่อบายภูมิส่วนถ้าใครทำมรกผลให้เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเห็นธาตุหกไม่เที่ยง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 เห็นศรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดฝูงกาจิกกินอยู่บ้างฝูงนกตะกลมจิกกินอยู่บ้างฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างฝูงสุนัขกัดกินบ้างหมูสุนัขจิงจอกกัดกินอยู่บ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินอยู่บ้าง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 เป็นสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจรู้อุริยาบทรู้ความเคลื่อนไหวต่อมาใช้ความโศโครกอั น, นีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นตัวละลายความใคร่ล่าสุดคือแยกความรู้และรูปกายโดยเป็นความธาตุโดยความเป็นธาตุเพื่อกระจัดความแบ่งแยกระหว่างภายในกับภายนอกเพราะเห็นตามจริงแล้วว่าความเป็นรูปนั้นก็สักแต่ว่ามหาภูตารูปสี่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 หรือยังไม่ทันได้ผลอะไรเลยด้วยซ้ำก็หลงยึดเสียแล้วว่าเราเป็นนักภาวนาเรากิเลดน้อยเรามีสภาวะจิตสูงส่งกว่าผู้ปฏิบัติต่อเมื่อได้ใช้อุบายของพระพุทธองค์กำจัดลิธิตรอนอำนาจความถือดีมีมาณะให้แผ่วลงจริงจริงจึงได้เห็นข้อเปรียบเทียบเห็นหน้าตากิเลตประเภทอัตตามาณะได้ชัดชัดพูดง่ายว่า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 อสมิมานะแปล ว, ว่าการถือเขาถือเรามูลแรกมาจากอัตตาว่านี่ฉันนี่ของฉันแด่งบานเป็นการเปรียบเทียบว่านั่นเขานั่นของเขาใครเหนือกว่าต่ำกว่าใครดีกว่าเลวกว่าใครเปรียบฉันสมน้ำสมเนื้อกับเราบ้างปัจจัยประกอบให้รู้สึกความมีดีมีเรา และสนับสนุนความถือดีในตนก็คือทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นสภาพความเป็นมนุษย์รูปหนึ่งนามหนึ่งนับจากรูปร่างหน้าตาอันเกิดติดตัวมาแต่เกิดความรู้ความสามารถอันแปลผันตามพรสวรรค์และพรแสวงสมบัติพัสถานอันเกิดขึ้นตามสถานการณ์บุคคลใกล้ชิดเช่นพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกหลานอันทาให้ความเป็นเราหม็นหืน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 อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความยินดีในรูปมนุษย์อันเป็นชั้นสูงสัตว์ชั้นสูงตั้งขึ้นด้วยสองขาและกระดูกสันหลังชูคออวดหน้าปกภายล่พึ่งดูดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทุกๆชนิดในโลกด้วยมโนภาพสมประกอบและยังดูดีสะอาดสะอ้านคงรูปแห่งอัตภาพมนุษย์ไว้เต็มโูมนั่นเอง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 การละคนยึดมั่นถือมั่นในความน่าภูมิใจของตนไม่เท่ากันขอให้พิจารณาว่านี่แรงยึดเหนี่ยวหน่วงรั้งจิตใจไว้จากการเข้าถึงอิสรภาพสมบูรณ์บางคนมีตรงนี้มากขนาดวางมักผลแม้ขั้นต้ น, ตนบางคนมีตรงนี้น้อยแต่ก็ขวางมักผลขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่าต้องพูดถึงคนส่วนใหญ่ที่มีตรงนี้กันเต็มอัตรา ขนาดปรองใจ ย, ยอมรับว่าที่สุดของการปฏิบัติคือการไม่มีตัวตนก็เหลือวิสัยเสียแล้วนวสีวติกาบัปจัดเป็นแม่แรงหรืออย่างน้อยเครื่องต้นแรงในการงัดข้อกับกิเลส ข, ข้อที่ว่าด้วยอัสมิมานะเป็นเครื่องมือวิเศษช่วยเขี่ยผมในอัตตาให้ละเอียดขออภัยค่ะเขี่ยผมในตาอันละเอียดอ่อนยากต่อการกําจัดเมื่อใดฝึกฝน เข้าขั้นมีปกติเกิดมโนภาพเกี่ยวกับตนเองเป็นศพเป็นแดนเป็นเดนที่วางอยู่ตามสุสารเมื่อนั้นย่อมหมดหวังหมดอะไรใ ย, ยดีในอัตภาพนี้และมีใจอ่อเกินกว่าจะเพ้อฝันถึงอัตภาพอื่นใดอีกนั่นเองใจคือคิดทิ้งจริงคือ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 สรุปคือเบื้องแรกต้องตระหนักว่าทุกคนมีมานะประจําตนด้วยกันทั้งสิ้นจึงจะเห็นดีว่าสมควรฝึกแบบนี้ตามกําลังจะมากหรือน้อยก็ตามศรัทธาหากฝึกแบบนี้แล้วลดละมานะได้ก็เป็นอันว่านับว่าประสบผลสําเร็จได้อย่าได้ใช้ประสบการณ์ภายในว่าต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงนับว่าใช่ เพราะสำหรับคนบางคนเพียงระลึกเส ม, อ, สมอว่ากายนี้ไม่ใช่มีดีไม่ได้มีข้อแตกต่างจากศพทั้งหลายก็ถล่มความถือดีของตนลงราบคาบบางรายสิอีกที่เห็นนิมิตกายศพชัดแบบไม่ต่อเนื่องแล้วถือเอาประสบการณ์นั้นมาเป็นมานะชนิดใหม่คือเราทำได้เราทำดีได้กว่านักภาวนาอื่นๆ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 อันเป็นที่สุดยอดของหวดกายนี้จะไม่ขอเริ่มด้วยการเข้าไปฝึกตรงตรงเหมือนที่ผ่านมาแต่จะขอกล่าวถึงวิธีเลิกเะก่อนจะได้แน่ใจว่าคนอุปกรณ์นิรภัยติดมือเข้าป่าช้าครบล้อมขอให้ปรงใจเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังแม้นิมิสศก็ไม่พ้นจากความเป็นเช่นนั้นได้เห็นพักหนึ่งย่อมกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยอตัตโนมัติเพราะ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 ขณะนี้เราอยู่ยังมีโอกาสใช้กายนี้ลดกิเลสเพื่อเข้าถึงธรรมหากยังมีความกลัวหรือเกิดนิมิตติดจิตก็อาจจะฝึกตัดให้ได้แดนใจโดยอาศัยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชนานาญเช่นอนาปานสติถ้าได้แบบลงหายใจละเอียดและยาวลึกก็จะเหมาะหรือใช้อากาศกระสินมาล้างความหมายมั่นในกายคือเอาจิตไปฝากอยู่กับความว่าง อากาศแห่งตรงนี้จะเห็นคุณค่าของอากาศกสินอีกประการหนึ่งเมื่อทำชำนาญแล้วย่อมนำมาล้างนิมิตหลอนได้สนิทศพมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเหมือนเธอเห็นซาเรระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียด